สังเกตดูนะจะมีคําว่าอะไรมั้งนะอภิญญาปริญญาปหานะภาวนาสัจฉิกิริยาเออเนี่ยกลายเป็นว่าคือถ้าเรามานิยามล็อกๆอกไว้เฉยเฉยว่าออภินญยธรรมคือยาตะปริญญาปริญญาธรรมคือตีรณนะปริญญาปหาตประธรรมคือปหานะปริญญาเป็นต้น อ, อตรงนี้ดันยกเอามาหมดเลยฮะเนี่ย คำว่าปรหาคำว่วารู้ยิ่งก็ยกเอาคําว่าอภินญ e าส ร, รุปว่าอภินญาก็ควรรู้ยิ่งปริญญาก็ควรรู้ยิ่งปะหานะก็ควรรู้ยิ่งภาวนาก็ควรรู้ยิ่งสัจจิกิริยาก็ควรรู้ยิ่งพอมาสูตรนี้บอกว่าอภิญญาควรกําหนดรู้ปริญญาก็ควรกําหนดรู้ปหานะก็ควรกําหนดรู้ภาวนาก็ควรกําหนดรู้สัจจิกิริยาก็ควรกําหนดรู้มไม่ต้องหนักใจหรอกตอนนี้เป็นสูตรามยายานเรียนให้หมดนะเรียนเอาไว้เธอเรียนให้มันหมดนะ เบื่อเรียนเมื่อไหรก่ก็เสียหายเลยนะบอกโอ้ยเบื่อแล้วเกินอ่านปฏิสัมพิทาก็บอกเบื่อแล้วเกินภาษารีบทพูดเข้าใจยากถ้าผแปลว่าอย่างนั้นนะโดยสภาวะบอกเบื่อแล้วเกินพระธรรมก็บอกเบื่อแล้วเกินพระพุทธเจ้าท่านเทศแต่เรื่องลึกซึ้งอย่างเงี้ะ น, นั้นก็อยับได้เป็นอย่างนั้นเลยอย่าทําตัวห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเลยเนี่ ย, ยถ้าไกลพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ใครอยู่ใกล้พญามาร แต่กใกลพยามานเมื่อไหร่ก็ใกล้พระพุทธเจ้าดูว่าเราเป็นบุตรของใครนะต่อไปก็มาดูวัฏฏะขันธ์อายตนะนี่เป็นลักษณะของวัะใช่ไหมขันเป็นอะไรเป็นกองกองอะไรกองแห่งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประนีใตใกลและใกล้ไอ้คาว่าขันเนี่ยมันเป็นเป็นของที่นำมาซึ่งภาระมหาภาระเลยแหละ รูปขันนี่ว่าบริหารยากนะเวทนาขันบริหารยากกว่า น, นั้นอีกสัญญาขันยิ่งบริหารยากนะไม่เชื่อลองเจริญกรรมฐ า, านดูสิเจริญกสินสักอย่างหนึ่งเนี่ยจะรู้ว่าสัญญาเนี่ยบริหารยากมากเน่ยเพราะการเจริญกสินนี่ถือเอาสัญญาเป็นหลักถ้าคิดให้มันเป็นสีแดงไม่ยากแต่รักษาสีแดงคิดแต่เรื่องสีแดงตลอดวันตลอดคืนเนย น, นี่ยากเนี่ยเป็นสัญญาขันก็บริหารยากสังขารขันยิ่งยากเขวากว่า นะะสังขารขันโดยเฉพาะสติสัมปชัญญะฮิริโอตปะพวกนี้บริหารยากมากแต่ว่าวิญญาณขันยิ่งบริหารยากานะะไม่รู้บริหารให้มันอยู่ทวารไหนดีอยากมากนะวิญญาณเนี่ยมันหลอกมิหน่าเขาจะได้เอาวิญญาณหลอกกันนะแล้วก็หลอกให้เห็นั้างหลอกให้ได้ยินบ้งางเมื่อไหร่นะจะรู้สึกว่าเนี่ยตอนเห็นเนี่ยนี่ถูกหลอกอยู่นะวิญญาณมันหลอกอยู่มายากลมันเล่นอยู่นะได้ยินเสียงโอ้ยมายาเอ้ยเล่นกันจริงหลอกกันจริงจริงเนี่ยนะ วิญญาณจะได้หลอกได้ล้ออีกเลยอนยะ่างนันฉะนั้นขันทานังขันทะขันทะนนแปลว่ากองเนี่ยนะกองเพราะว่ามันเป็นกองทั้งอดีตอนาคตเป็นต้นขณะเดียวกันมันก็คือตัวมหาภาระแล้วตัวมันเองก็บีบขันปีลณะนะบีบขันสันตาปะเร่าร้อนวิปรินามะแปรปรวนเป็นต้นส่วนธาตุล่ะธาตุก็มีความเป็ น, เ ป, นเป็นกองนะนะฉันบอกว่าธาตุตัวนั้นต้องแปลว่าศูนย์ใชนะแปลว่าว่างนะ ตรงนั้นทำไมมันกองไปหมดก็ไม่รู้ทั้งสามกองไปหมดขอโทษนะจริงๆไม่ใช่กองนะต้องเป็นาธาตุแลว่าว่างคือว่างก็คือศูนย์ั่นแนะอันนาธาตุนี่แปลว่าศูนย์ศูนย์จากอะไรศูนย์จากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนศูนย์จากอาัตราหรือาธาตุแปลว่าสรงไว้ก็ได้ทรงไว้ซึ่งอะไรทรงไว้ซึ่งกองทุกเนี่ยนะหรือาธาตุนี่แปลว่าตัวจัดแจงทุกก็ได้ทุกทั้งมวลในโลกถ้าไม่มีาธาตุนจะมีทุกไหม ไม่มีหรอไอ้ตัวตัวธาตุนี่แหละมันตัวจัดแจงกองทุกสารพัดชนิดนั้นธาตุแปล ว, ว่าจัดแจงกองทุกต่างๆก็ได้อายตนะก็แปลว่าบอกเกิดหรือว่าต่อต่อต อ, อะไรต่อเขตแดนของตนของตนตาเนี่ยถ้าต่อกระสีเพื่อให้เกิดอะไรจิตเจตสิกหูกะเสียงต่อกันให้เกิดจิตเจตสิกจิตเจตสิกมันมีทั้งกรรมวิบากและกิเลสที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็เลยเป็นไปอยู่อย่างนี้ก็เลยต่อกันเชื่อมเชื่อมเชื่อมจนวัฏฏะมันยาว ทั้งขันธาตุอายตนะเหล่านั้นก็คือสังฆตธรรมคือสังฆตาธรรมเป็นธรรม ท, ที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมขันก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งธาตุอายตนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งใดถูกปัจจัยปรุงแต่งเพราะสิ่งนั้นเนี่ยเป็นเหยื่อของมารเนี่ยนะเป็นเป็นอมิตรใช่ไหมสิ่งที่เป็นอมิตรสิ่งนั้นเนี่ยเป็นภัยเพราะน่ากลัวสิ่งที่เป็นสังฆตะเป็นสิ่งที่เป็นทุกข ถ้าตรงกันข้ามไม่ต้องตรุงแต่งแล้วล่ะเป็นอสังขตธรรมเป็นนิรามิตรไม่มีไม่เป็นอมิตรไม่เป็นเหยื่อของพญามารขณะเดียวกันสิ่งนี้ปลอดปลอดภัยปราศจากภัยเกษมฉันอันนั้นเป็นลักษณะของอสังขตธรรมผู้ที่มีอภินญาคือรู้ยิ่ง ปริญญากําหนดรู้ปหานะการละภาวนาการเจริญสัทธิกิริยาทำให้แจ้งก็คือทําให้แจ้งขันธาตุอายตนะสังคตะธรรมและอสังคตะธรรมเพื่อจะได้ทําที่สุดแห่งทุกเนี่ยนะฟันคําสอนเนี่ยจบลงที่อสังคตะธรรมย้ยจบลงที่ไหนเนี่ยนะถ้ายิ่งบทไทยไทยเดี๋ยว่ามีอมตะอมตะนิพานเป็นที่สุดยังลงสู่อมตะนิพานเนี่ยนะอนนะ นิพพานอันอยังลงในอมะตะหรืออมะตะก็คือพระนิพพานเพราะว่ามันเป็นที่สุดนั้นคําสอนจริงๆใ น, ใ น, ในทุกๆหัวข้อเนี่ยถ้าเข้าใจให้ดีเนี่ยเป็นวิธีตรัสรู้อริยสัจทั้งหมดเลยผู้ที่ศึกษาพระธรรมสมัยพุทธกาลเนี่ยนะถ้าใครอ่านคําถามคําตอบในพระสูตรต่างๆเนี่ยเขาจะพูดแต่ภาษาเหล่านี้เลยตรงไหนที่อ่านเข้าใจยากๆเนี่ยสิ่งคือแถวๆนี้ทั้งหมดทั้นถ้าอ่านพวกธรรมบท คำบอดนี้ก็มีถ้อยคําคเหล่านี้อยู่ในนั้นเยอะนะตรงไหนที่อ่านแล้วอธิบายไม่ได้เลยนั่นแหละยักษ์กนั่นแหละเป็นธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดเลยนันทส า, ารีบุตรก็ซักคัดเอาแต่คำยักยากทั้งหลายมารวมๆวมรวมๆมกันไว้เป็นคๆๆํายากที่ที่สมัยนั้นเนี่ยนะนักนักเพ่งเขาเพ่งจริงๆนะก็คิดคําเดียวที่เป็นสิบสิบปีเขาไข้ควรเขาวิจัยเขาเลือกเฟ้นอยู่นั่นแหละนั่นถ้าใครไปศึกษาชีวิตจิตใจของของผู้ที่สแสวงหาอมาตะ สมัยก่อนเนี่ยเป็นนักไขโครวนนักเพ่งจริงๆเลยนะแม้แต่สมัยนี้เนี่ยน ะ, ะพวกรือศีเนี่ยอินเดียนี่มีมากที่สุดรือีมีเป็นล้านพวกนี้เป็นนักเพ่งนักตรึกอะไรอีกเรื่องหนึ่งนหะแต่เป็นนักค้นหาความจริงอะไรสักอย่างของเขาเหมือนกันจริงแบบเขาอ่ะนะซึ่งแต่ว่าเขาก็เนื่องจากว่ามิจฉาทิฏฐิบุคคลบางคนเนี่ยทําลายความรู้ของพระพุทธเจ้าออกไปถ้าหากว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่ในผืนแผ่นดินอินเดียเนี่ยนะ กว้างขวางเนี่ยเชื่อว่ามีผู้บรรลุอีกเยอะนะแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่มีคําสอนอยู่แล้วมันก็เลยถึงไปเพ่งเป็นนักไคคุณนักอะไรก็ช่างเถอะถ้าไม่มีคําสอนก็มีใช่ฐานะถ้ายังมีคําสอนอยู่นะพวกนั้นเขาเอาจริงเอาจังมากเลยนะพระรูปหนึ่งที่อยู่อินเดียท่านเล่าว่าถ้าเขานั่งสมาธิวันละแปดชั่วโมงถือเป็นเรื่องธรรมดาของเขากระจอกมากเพาะงั้นนะนั่งเฉยๆเนี่ยแปดชั่วโมงถือว่าโอ้โปกติไม่มีอะไรเพราะงั้น พวกนี้นั่งถามว่ามันนั่งทําอะไรแล้วไม่หลับด้วยนะนั่งตื่นนี่มันคิดอะไรอยู่เนี่ยนะคิดเป็นแปดแต่แดชั่วโมงสิบชั่วโมงบางคนนั่งอยู่สองวันสามคืนอย่งเงี้ยนะนั่งทําอะไรกันถ้าเขามีความรู้เหล่านี้แล้วเขาเพ่งเขาใคร้ครวนะพวกนี้ตัดสู้ได้เพราะนั้นถามว่าเอ๊ะการนั่งมากๆพระพุทธเจ้าชมหรือตําหนิชมนะนั่งมากๆพระพุทธเจ้าชมบอกคนนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างานะ จงไปนั่งไปเพ่งเถอะถ้าเธอจะได้เสียใจในภายหลังเลยแล้วเวลานั่งสมาทานว่ายังไงเนื้อเลือดในสรีระจงเหงือดแห้งไปจะเหลือแต่นังเอ็นกระดูกกอตามทีเธอถ้าไม่บรรลุไม่ลุกเงี้ยนะพระองค์ชมนะบอกให้ไปคิดอย่างนี้แหละให้คิดไวให้มากๆแล้วพระองค์ก็สมาทานแบบนี้เหมือนกันนะคืนสุดท้ายที่บรรลุพระองค์ก็สมาทานแบบนั้นอ น, นั้นหมายถึงว่าเข้าใจคําสอนเป็นอย่างดีแล้วทุ่มเทเอาชีวิตเขาเรียกว่าปะหิตตัดโตมีตนส่งไปแล้ว ไม่อะไรในร่างกายและชีวิตเพี้ยนไข้ควรสิ่งเหล่านี้แหละเนี่ยเพ่งคำมทัทธาขันอายตนะสังคตาอสังคตะแพ่งให้เห็นวันนี้อภินยยะนี้ปริญยยะปหานะภาวนาศติกิรยิยาเขาไข่ควรจริงๆเลยเนี่ยเป็นลักษณะของของพื้นฐานรวมๆของคนอินเดียทั้งสมัยก่อนและสมัยนี้แต่สมัยนี้ไม่มีปริญตาแบบสมัยก่อนสมัยก่อนมีคําสอนของพระพุทธเจ้าพอมาสมัยหลังๆเนี่ย เจอไอ้เจ้ า, าศาสดาหลายคนบิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้าพอบิดเบือนในที่สุดก็คําสอนก็มีบางท่านกล่าวว่าถ้าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอยู่ในอินเดียในอินเดียจะจากคนละอย่างเลยจากจากปัจจุบันเนี่ยแต่เนื่องจากว่าคําสอนนี่หายไปคนที่เขาค้นหาสักจะนี่เขาค้นหานะมันก็น่าค้นหาเหมือนกันนะชีวิตที่มันชุลมุนวุ่ น, นวายงั้นก็อยากค้นหาตัวความจริงอยู่เหมือนกัน แต่เนื่องจากว่าถูกละที่บางละที่ครอบงาเข้าก็เลยหมดสภาพเลยเนี่ยนะทีนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องจิตจิตบ้างนะคำวิสัชนาที่สัมพันธ์กับจิตว่าจิตจิตคืออะไรธรรมชาติที่รู้แจ้งซึ่งอารมณ์รู้แจ้งอารมณ์รู้แจ้งสีขาวสีเขียวสีเหลืองรู้แจ้งเสียงกลิน่นรสโภตพภะเป็นตน้นพวกนี้เป็นธรรมชาติจิตนะรู้แจ้ง รู้แจ้งเช่นสีเนี่ยรู้แจ้งสีรู้แจ้งเสียงรู้แจ้งกลิ่นถ้าหากว่าจิตปกติที่รู้แจ้งซึ่งอารมณ์เนี่ยถ้าชาวนะจิตเป็นยังไงสั่งสมสัมดาลของตนด้วยอำน า, านาจชวนะวิถีก็ทําชวนากิตขึ้นมาชาวนะกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงชาวนาที่หนึ่งก็เป็นปัจจัยแก่ชาวนะที่สองวิถีจิตทั้งวิถีก็เป็นปัจจัยแก่วิถีต่อต่อไปเนี่ยนะฉั้นทุกๆความคิดนี่ไม่ธรรมดานะีเวลามันเกิดขึ้นเนี่ย ก็คิดง่ายๆถ้านน้อยใจสักเรื่องหนึ่งขึ้นมาอะไรจะเกิดนครั้งเดียวก็เกินพอแล้วใช่ไหมน้อยใจทีเดียวก็พอใช่ไหมไม่หรอกมันมันโตขึ้นมันโตขึ้นมันอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นในที่สุดไม่น้อยใจแล้วโกรธแล้วนะพราะโกรธมากๆเข้ามันทําอะไรต่อก็ลามไปเรื่ยนั่นแหละเพราะในชาวนะเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นส่วนวิบากจิตล่ะก็คืออันกรรมและกิเลสสั่งสมเอาไว้นะมันก็ เพราะมันเป็นผลพวงของกรรมและกิเลสเนี่ยนะเป็นพวงของกรรมและกิเลสวิบากจิตจึงเกิดขึ้นถ้าไม่มีกรรมและกิเลสวิบากจิตก็ไม่เกิดหรือคําว่าจิตเนี่ยโดยศัสา์ก็แปลว่าธรรมชาติที่วิจิตเขาบอกว่าโลกนี้นะมันวิจิตพิสดารเนี่ยโลกโลกทั้งที่มันเห็นวิจิตพิสดานี้เกิดจากจิตทั้งนั้นแหละจิตนะเป็นตัจัยเนี่ยจิตนี้วิจิตกว่าสิ่งที่มีในโลกนี้ทั้งหมด ทันจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ตัวเองก็วิจิตมากวิจิตทั้งโดยวัตถุโดยทวารโดยอารมณ์โดยอุปนิสัยขณะเดียวกันก็ยังทำให้โลกภายนอกวิจิตเนะโลกภายนอกวิจิตก็เพราะจิตนี้ตัวธรรมชาติที่วิจิตมากๆทีนี้จิตเนี่ยนะปกติของจิตแล้วเนี่ยท่านบอกว่าจิตตาจิตตานันติยะแปลว่าไม่มีระหว่างขั้นเลยจิตเนี่ยนะ จิตนี้ไม่มีใครฆ่ามันได้เอ่าปกติเนี่ยนะบอกว่าเออพอแล้วฉันจะเลิกคิดแล้วขอดับจิตเจตสิกโดยประการทั้งปวงพอกันทีเออความคิดตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปฉันเลิกเลยนะบอกเออบอกเลิกไม่ได้ใช่ไหมบอกชั่วโมงหน้าจะเลิกคิดแล้วทาได้ไหมไม่ได้มันบอกฆ่าตัวตายใช่ไหมปฏิสนธิก็ผลขึ้นมาต่อไปอีกอย่างเงี้ยนะโอ้มันเหมือนอมาตะจริงๆนะจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรขั้น จิตเนี่ยจะเลิกจะถูกขั้นต่อเมื่อต่อเมื่ออะไรต่อเมื่ออรหันต์แบบจุติจิตของผ้าอารหันต์เกิดนั่นแหละจึงจะเลิกเพราะฉะนั้นจากภพหนึ่งไปสู่ภพหนึ่งนะอย่างเช่นแม้กระทั่งอ่ะเกิดในอาสันยีสัตว์ห้าร้อยกับนะก็ยังชื่อว่าเป็นอนันตระปัจจัยอย่านะยังเป็นอนันตระปัจจัยอยู่เลยหมายความว่าก่อนที่จะปฏิสนธิในอาสัญยีสัตว์นี้ก็จุติจิตเกิดใช่ไหม เวลาผ่านไปห้าร้อยกับก็ปฏิสนธิจิตก็เกิดต่ออีกทั้นจึงฆ่าไม่ได้มันจะเรียกเหมือนอมตะก็ได้แต่ว่ามันเป็นอมตะแบบไหนแต่ตัวมันเองสั้นๆเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันต่อกันยาวยาวๆยาอยู่นั่นแหละเหมือนอะไรนะมันปวดหัวเนี่ยมันปวดจะสมมติว่าปวดกันแล้วกันเจ็บปวดเนี่ยมันอยู่ที่ทุกขกายยอดวิญญาณอาวัชนาทีมันปวดทีแต่อาวัชนะบ่อยรู้สึกเหมือนปวดตลอดเวลา ใชไมจริงๆมันปวดตลอดไหยถ้าปวดตลอดมันก็เที่ยงอะสิแต่ไออาวัชนะเนี่ยมันบ่อยจนเหมือนกับตลอดเวลาเหมือนกับอะไรเหมือนกับไฟเนี่ยนะอย่างหลอด น, นีออนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้สว่างตลอดเวลาเนะ่มันก็ติดติดดับดับแต่ว่ามันความรวดเร็วมันก็เลยเหมือนกับตลอดเวลาจิตก็เหมือนกันเนี่ยนะจิตนี่อ้อะไรจะเร็วเท่ากับจิตไม่มีอีกแล้วแต่ขนาดนั้นก็เหมือนกับว่ามันเอ ม, มีบางแห่งก็บอกว่าเหมือนกับอะไรนะแกว่งทูบในที่มืดนะ่ะ เหมือนก็มีวงกลมอยู่จริงๆอ่ะนะทั้งๆที่ไม่มีมันจิตนี้จึงไม่มีอะไรขั้นเลยสืบเนื่องยาวสืบจากทวัรหนึ่งสู่ทวัรหนึ่งสืบจากอารมณ์หนึ่งสู่ อ, อารมณ์หนึ่งจากเรื่องหนึ่งไปสู่ อ, อีกเรื่องหนึ่งไหลมาเนี่ยนะถ้ามันเป็นรูปธรรมทุกั์ใส่มองพนเนจรทึกไปหมดเลยนะดีแล้วที่มันเป็นนามธรรมามันจะได้ไม่ต้องเปลืองที่เก็บ <laughs> มันเป็นรูปธรรมเนี่ยไม่รู้จะไปเก็บตรงไหนเลยนะเขาบอกว่าถ้ามัน หนึ่งจิตหนึ่งเม็ดถ้ามันเท่ า, มาเมล็ดทรายนะเนี่ยของเราทั้งหลายล้นโลกหมดแล้วเนี่ยที่มานั่งเรียนธรรมเนี่ยนะล้นโลกหมดแล้วแต่ถ้าเทียบกับอาคุศนมันก็ยังไม่เท่าอีกันนะอาคุศนเนี่ยมันให่ล้นโลกล้นจักรวาลล้นไม่รู้กี่ล้านจักราวาลเนี่ยนะทีนี้ต่อไปถ้าจิตที่ปฏิบัติระดับสูงเนี่ยต้องเป็นจิตที่ออกใช่ไหมโคตรพูรออกจากอะไรออกจากนิมิต ออกจากนิมิตคือสังขารนิมิตโคตรภูจิตเนี่ยนะออกจากนิมิตมรรคจิตเนี่ยออกจากอะไรออกจากนิมิตและปะวัตตะก็คือออกจากสังขารนิมิตออกจากความเป็นไปในวัตตะสภาวะที่ออกแห่งจิตหมายถึงว่าวิวัตนะเนี่ยหมายว่าเขาสลับไปในพระนิพพานเนี่ยนะสลับออกไปในพระนิพพาน มีจิตน้อมไปในพระนิพพานเน่ยนะหลีกไปสู่พระนิพพานมางั้นใชนไหมวิวัตรณเนี่ยแปลว่าหลีกก็ได้หลีกไปสู่พระนิพพานสภาพที่เป็นเหตุแห่งจิตเนี่ยนะจิตนี้จะต้องมีเหตุใช่ไหมจิตทุกอจิตที่ไม่มีรากเรียกว่าเหตุตุกจิตจิตที่ไร้รากแต่โดยทั่วๆวไปแล้วจิตนี้จะต้องมีรากคือเหตุตุปัจเหตุตุปัจนี้ถือว่าเป็นรากแก้วของความคิดจิตที่ไร้รากไร้รากแก้วก็คืออหิยตุกจิต เนีนะเรียกว่าสภาวะที่เป็นเหตุของจิตก็คือเหตุตุปั จ, จเนี่ยนะส่วนที่เป็นปัจจัยแห่งจิตน่ะก็คือวัตถุก็ชื่อว่าเป็นปัจจัยโดยวัตวัฏฐวัตถุปเรชาตปัจจัยหรือวัถารัมณปุเรชาตปัจจั ย, ห ร, รรจจยหรือจิตจะต้องเกิดขึ้นโดยอารมณ์ก็คือโดยอารัมณปัจจัยสภาพ จิตเป็นที่ตั้งของจิตที่ตั้งของจิตก็คือวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของจิตจิตนี่ไม่น่าเชื่อแล้วมันเกิดที่อะไรนะมันเกิดที่เล็บก็ได้เกิดที่ฝ่ามือก็ได้เกิดที่ตัวก็ได้เพราะมันเป็นที่ตั้งของจิตใช่ไหมตั้งโดยวัตถุเนี่ยนะเพราะเดี๋ยวก็คันๆขี้ๆแสดงว่าตรงนั้นเป็นที่ตั้งของจิตแล้วนะเออจิตนี่มันไปตั้งอยู่ทุกแห่งเลยนะไม่เลือกที่ตั้งเลยอะ ส่วนสภาพที่เป็นภูมิของจิตเนี่ยจิตเนี่ยถ้าแบ่งตามภูมิก็เป็นกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิสภาพที่เป็นอารมณ์ของจิตเนี่ยนะก็คือจิตต้องมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏพหุรูปกว่าสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดําสีแดงเป็นต้นเนี่ยนะเป็นอารมณ์ของจิตแล้วก็จิตเนี่ยท่องเที่ยวไปของจิตเที่ยวไปไหนบ้างจิตเรานั่งอยู่ตรงนี้เที่ยวไปไหนบ้างแล้ว มานั่งฟังธรรมนี่อย่าคิดว่าอยู่ด้วยกันตลอดนะไม่หรอกยไปเรื่อยนะมันก็เลยจิตมันเที่ยวไปเรื่อยมันไปยังไงอ่ะมันก็ไปรับอารมณ์บั่งรับรับอารมณ์ใกล้บ้างรับอารมณ์ไกลบ้างรับเรื่องนั้นบั่งรับเรื่องนี้มันก็คิดไปเรื่อยเพราะเเที่ยวไปของจิตไปของจิตเนี่ยจิตมันไปมันเรื่อยเนี่ยนะรับเรื่องนั้นตนกับเรื่องนี้เรื่องอดีตมั่งหวังอนาคตมั่งเนี่ยฟังธรรมยังไม่จบมันคิดเรื่องเดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วบางคนเนี่ยนะวางแผนกลับแล้วเนี่ย มันก็จิตนี่มันก็เที่ยวไปเรื่อยนั่นแหละส่วนจิตที่นําไปยิ่งเนี่ยนะสภาวะที่นําไปยิ่งแห่งจิตก็คือมนาสิการอารมณ์อื่นจากอารมณ์ที่รับไว้น <c oughs> เปลี่ยนจากเรื่องหนึ่งสู่เรื่องหนึ่งจากเรื่องหนึ่งสู่ไปเรื่องหนึ่งไปเรื่อยไม่รู้จักเบื่อะไรกลายเลยนะไปเรื่อยส่วนผู้ที่ปฏิบัติจนถึงกับเบื่อหน่ายบอกออกอย่างเดียวนิยานี่กะบอกออกแล้วไม่เอาแล้วเลิกแล้วพอแล้ว ออกจากสีเสียงเกลิ่นรสโพธิภะเป็นต้นน้อมไปสู่อสังคตาธรรมใช่หมมันนิยานิกะก็คือนําออกแห่งจิตก็คือออกจากวัตตะด้วยอานาจของมัคจิจมคจิตนี่นาออกโดยส่วนเดียวส่วนสลัดออกเนี่ยนะสลัดออกอะไรสลัดออกจากจิตที่สลัดออกแห่งจิตนะหมายถึงว่าจิตที่เป็นเนเขมะสลัดออกจากจิตที่เป็นไปกับกาลมฉันทะเป็นต้นนั่นเองอนนี้ันจิตที่ออกจาก พยาบาทด้วยอัพยาบาทออกจากวิหิงสาด้วยอวิหิงสาเป็นตน้นทันนี้เกี่ยวกับเรื่องจิตนะมีสิบห้าข้อทัอ้นใครที่รู้เรื่องจิตจริงๆนะนะรู้ความเป็นไปแห่งจิตตลอดสายดังที่กล่าวมาแล้วก็ทําที่สุดแห่งทุกได้เนี่ยเป็นการทําปริญญาเรื่องจิตจริงๆอีกวิธีการหนึ่งแต่ถ้าในจิตตานุปัสนามีจิตสิบหกใช่ไหมจิตมีราคา่าจิตปราศจากราคา่าจิต มีโทสะจิตปราศจากโทสะเป็นต้นอันนั่นอีกในหนึ่งนะนี้อีกในหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องจิตเนี่ยนะเรื่องจิตอย่างเดียวนี่ก็เรียนกว่าจะจบก็ไม่ง่ายเหมือนกันใครที่รู้เรื่องจิตจริงๆก็นู่นแหะเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเป็นพระอรหันต์นี่จึงจะจบวิชาเรื่องจิตจริงๆเพราะคนที่จบเรื่องจิตจะต้องดับจิตได้ฆ่าจิตได้คนที่เหลือนี่กําลังอรู้จักจิตน้อยไปเนี่ยนะทําเป็นหัวเราะเดี๋ยวก็จิตร้องให้ก็เกิดมาอีกนะ <ee. S 2> ก็จิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันแก้งบอก Serbia อู้ดีใจอีกพักหนึ่ง ก, ก, ก็เสียใจอีกแล้วใช่ไหมทำเป็นใเฉช้อีกพักหนึ่งก็ดีใจก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ทางตาเดี๋ยวโน่นจิตไปเกิดที่ไหนหคันคี่คิดอื่นอีกแล้วอย่างเงั้น <t> <ๆ>ฟังอยู่ดีๆนะมันไปเมื่อยอีกแล้วอย่างเงี้ยมันจิตมันเป็นอย่างนี้แหละส่วนธรรมะต่อไปนะว่าว่าพักก่อนดีกว่าพักซะก่อนนะเพราะเรื่องอย่างเี้พวก